แต่มาศึกษาตัวเองมาลู้ตัวเองมาดูตัวเองมาเห็นตัวเองจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายเพื่อค้นพวกเที่ยวได้ในตัวท่านอาน่านนอกตัวทำไมให้ป่วยกันดอกปัวบานอยู่ในเรานี้อย่าหลง มีสติมีสัมปชัญญะวองตนนองกับเหมือนถ้าจะเปรียบเหมือนดวงตาก็กลับมันคืนเข้ามาอย่าให้ออกไปข้างนอกเหมือนหลอสองเงาในกระจกไม่ออกไปข้างนอกแต่มันจะทอนมาเห็นตัวเอง นั่นคือลู่ลกลอกลู่เวลานี้เรามาฝึกหัดให้มันเห็นทำให้มันเป็นมันจะมีอะไรแสดงออกมาจากกายจากใจเปดเป็นสี่พันอย่างเ่อนให้จบเตื่ยให้ครบใน่ความไม่เที่ยง มันก็มีในความไปทุกข์ก็มีในความมาใช่ตัวมาช่ตนก็มีอยู่ในรูปในกายนี้ให้เห็นให้เห็นกายเป็นกายเป็นตัวเป็นตนเอากายเป็นตัวเป็นตนตตรอมล่อนคือตัวคือกูความหนาวคือกูความเหี่ยวคือกูความ อะไรคือกูเอาตัวเอากายเป็นกูเกิดพบเกิดชาติอยู่ในกายพอใจไม่พอใจอยู่ในกายถ้าเราดูไปดูมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปถ้าเห็นเป็นรูปมันก็แตกแขนเหมือนเราเรียนลูกอะไรมันแตกแขน บรนทานทั้งหลายเรียนสอนศึมาแต่ขานเห็นกายเห็นโลกสมุทฐานของโลกเมื่อเห็นโลกเห็นสมุทฐานของโลกโลก็รู้จักวิธีรักษาให้อยู่ขห้ยาหายจากโลกได้ ไม่ใช่รูปร่างกายมันรูกเข้าไปกว่านั้นเห็นกายเห็นเป็นรูปดูไปดูมาไม่เป็นรูปมันเคลื่อนไหวมันรูกมันเคลื่อนไหวของกายมันก็รูกเคลื่อนไหวทางจิตใจมันก็รูปให้เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันมันจะแดงบางทีมันเป็นอาการมันเป็นธรรมชาติ นังนานนั่งก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงในรูปนั่งก็แก่แก่ในรูปนั่งแล้วก็เจ็บในรูปนั่งในความคิดก็รรมการเกิดขึ้นไหนความคิดเป็นพบเป็นภูมิต่งตางๆองพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในความคิด แต่ก่อมันก็เป็นปกติเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแต่ความปวดความโลภความหลงเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกิจไม่ใช่จิจความร้อนความหนาวความปวดความเมืยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นธรรมชาติของเขาตามตามควาเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเราก็เห็นเดีวเข้าเป็นกับเขา จนขี้หน้ามันนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์ในเชิงไหนมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเชิงไหนไม่ us, เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจะแปลความทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ผูกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผอมเป็นทุกข์เป็นทุกข์ผูกความร้อนควา ม, ววามหนาวเป็นทุก <één> ข์ผอมหิวเป็นทุกข์ผอมเพียบผอมปวดมันเป็นอาการของเขา มันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเป็นมันเป็นของที่มันมีอยู่อย่างนั้นมันไม่ฟังเสียงใายอัานรูปอันนามนี่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสำเภาดูมันก็หลงได้หลงในความไม่เที่ยงหลงในความเป็นทุกข์หลงในความไม่ช่ยตัวตนหลงไปในความคิดหลงไปในกาอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ไปเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็ น, นการว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เรียกว่าหลงไปแล้วมันมีหลายอย่างให้เห็นให้เห็นอย่าเป็นอันบอกง่ายๆนะเห็นรูปจะไม่ง้อเพราะรูปจะฉลาดเพราะเห็นรูปเห็นน้ำจะฉลาดเพราะเห็นน้ำ ฉลาดในความหลงในความหลงเกิดความฉลาดเปลี่ยนหลงเป็นความฉลาดเป็นความรู้ไม่งูเพราะความหลงไม่งูเพราะความทุกข์ไม่งูเพราะความโกรธไม่งูเพราะความเลิกควาชังไม่ต้องทําตามมันแล้ก็ฉลาดก็ใช่กายใช่ใจใช่รูปใช้ดัมเป็นเหมือนหรอใช่อะไร มีอะไรก็ใช่สิ่งนั้นเป็นมีรถก็ใช่รดเป็นมีล่อมีเขียนก็ใช่ล่อใช่เขียนเป็นมีวัวมีควายก็ใช่วัวใช่ควายเป็นแล้วก็ต่างกันมีอะไรก็ใช่เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้ลราใช่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษมีให้ใช้ ถ้ามันหิวก็มีให้เราใชา้ถ้ามันร้อนก็มีให้เราใชา้ถ้ามันหนาวก็มีให้เราใชา้ตามสภาพของเขามันเป็นสัญญาณภัยเราจะต้องดูลแลถ้าใช่ไม่เป็นก็จิบหายจิบหายเพราะการใช่ไม่เป็นตู้จักทักท้วงเวลามันหลง เวลามันทุกข์เวลามันโกรธอย่าทําตามสิ่งเหล่านั้นให้รู้สวาเหมนเราใช่หัวใช่ห่วหัวค ว, วยบางตัวมันก็นิสัยต่างกันหัวบางทัวเทียมเกลียนเพียงแต่เจ้าของยกไม่เหลียวขึ้นมันก็รู้เยงแต่ก็ดิก สายทามันก็รู้จะให้ไปทางไหนมันก็รู้มันก็ให้หัดมันทำเป็นถ้าหัดให้มันเป็นมันก็ไม่ต้องมีเชือกก็ได้มันก็จะหลบสกปริกไปเองหลบไปเองมาเห็นต่อตรงไหนมันจะไม่ให้ขึ้นต่อมันหลบไปเอง เวลามันขึ้นชันมันก็ก้มคอลงเพื่อจะให้แอกมันต่ําลงมาเพื่อมันดันได้ง่ายถ้ามันหลงต่ำมันก็ยกคอมันขึ้นเพื่อจะให้แอกที่ติดอยู่บนคอมันไหลลงไปนั้นก็ใช่ได้กวยเทียมเกียนกวยเตี๋ยวข้าวเตี๋ยวไถ่อเวลาไถ่บรรทุก ลากไม้ในดินเราไม่เห็นเราลูกไม่เท่ากับวัขวขัวกับควายที่เถียมถยเมื่อถยมันถูกถ้าลากไม้ในดินมันก็ไม่ดันเราเที่ยนเราตีขนาดไหนมันก็ไม่ไปเพราะมันถ้าดันมันดันไม่ได้เดี๋วถอยจะหกักขาวจะขาด <c oughs> มันไม่ดันถ้าเราตีมันก็ออกไปข้าง ไม่ดันไปข้างหน้าแค่ๆมันบอกเราอันนี้มันดันไม่ได้เดี๋ยวไถจะหักนะแล้วก็เห็นมันดันไม่ดันให้เราเราก็อย่าไปบังคับมันลองเอามือคําลงไปหัวหมูของไถ ท, ที่มันอยู่ในดินจะไปเห็นรากไม้มันติดกับหัวหมูอยู่เราก็ถอยออกมานั้นลูป ก, กว่าเราบางที แต่บางทีมันก็ดื้อนะมันไม่เป็นเห็นถูกน่อไมมถูกไมมถูกลากไหมมันดันอยู่มันไม่รู้แล้วก็ไถหักถ้าเป็นวัวก็เปลี่ยนหักคนเราก็เหมือนกันเมืทุวข์ทุกข์ก็ยังดันอยู่ในความทุกข์ข้ามวันข้ามคืนไม่ดูจับวาง ถ้ามันโกรก็อยู่ในความโกรธข้าวันข้ามคืนไม่รู้จักปล่อยจหวางดันอยู่เช่นนั้นนั้นก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อต่อชีวิตโกรธทีหนึ่งเหมือนจุดไฟเผาตัวเองทุกข์ทีหนึ่งเหมือนเกับเผาตัวเองนั้นไม่ทุกข์ก็ได้ไม่โกรธก็ได้ปล่อยมันออกมาหยุดมันออกมา เรีว่าเราใช่กายใช่ใจเป็นใช่รูปใช้น้ำเป็นนั้นก็ปลอดภัยไม่มีภัยชียวิตที่ไม่มีภัยเราเรียกว่าอาริยะไม่มีค่าศึกความโกรธก็ข่าศึกความหลงก็ข่าศึกความทุกข์ก็ข่าศึกไม่ให้มันมีชีวิตของเราไม่เหมือนสัตว์มันเว็นมนุษย์มันพัฒนาได้ เคยหลงไม่หลงเคยทุกข์ไม่ทุกข์เคยโกรธไม่โกรธมันไม่มีดีอะไรในความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความพอใจความไม่พอใจมิแต่เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ตัวเราเองเราจะมาสอนเรามีสติให้เป็นผู้กํากับการใช้กายเอากายมาใช้เอาวาจามาใช้เอาจิตใจมาใช้ กาที่แช่อยู่ก็รู้สึกรู้ตัวผิดถูกยังไงถ้าผิดก็แช่ถ้าถูกก็ทำไปใช่เป็นมันก็มีประโยชน์ถ้าใช่หวาจะถูกก็เป็นประโยชน์ไปบอกไปสอนเห็นคนโกรธอย่าโกรธเถอเพื่อนเลยอย่าหลงเธอเพื่อนนล้วเงยเลวอย่ลอ เ, อ เ, อเลิกงานเชิญไปกินเหล้า อย่าไปถือเพื่อนกลับบ้านดีกว่าัลูกเนี่รอคอยจยาเกิดอะไรขึ้นกับบ้านไม่ทกเวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยกันเราก็ช่วยตัวเราเพื่อนก็ช่วยกันเรียกว่าการยาณามิตรนั่นก็ดีถ้าเราไม่รู้จักสอนตัวเรา ไม่รู้จะบอกกันมันก็ไม่มีประโยชน์เราเป็นสสังคมมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนร่วมงาน <c oughs> เราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน <c oughs> จึงเดียนตามพ่อก่อตามครู <c oughs> เราเนี่ยไม่ใช่เราเก่งคนเดียวถ้าเราเก่งก็พ่อแม่พาให้เราเก่ง ถ้าเราเจ๋งเป็นคนดีครูอาจารย์ท่าพาให้เราเจ๋งเป็นคนดีถ้าเราไม่มีทุกข์มีโทษเลยก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พาให้เราพ้นภัยมีดีไม่ใช่เราเจ๋งวิเศษไม่เชื่อฟังคายต้องเคารพหลวงพ่อเทียนบอกเคารพไม่ตะกองขี้หมาขี้ไก่สิ่งไหนมันไม่ดีอย่าเข้าไปใกล้ เคารพสิ่งที่ดีเคารพขุนที่ไม่ดีสิ่งที่ดีควรทําสิ่งไม่ดีควรเว้นนั่นก็มีอยู่ในเราเนี่ยชีวิตของเรามันไม่เป็นอะไรเริ่มต้นน้อยน้อยหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกตั้งเริ่มต้นที่นี่ถ้ามีความรู้สึกไปในกายมันจะบริสุทธิ์ มีความรู้สึกไปในกายเฉยๆมันก็ขับมันก็ขับสิ่งที่มีพิษออกไปจากกายจากใจได้เช่นมีอารมณ์ครอบความคิดถ <c oughs> ้ามีความรู้สึกตัวไปในกายไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่กลับมารู้สึกตัวซะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงพิษภัยที่มีอยู่ในจิตเช่นความโกรธความทุกข์ อามข้างเศ้าหมองมันจะค่อยๆจางไปเหมือนกับหมอให้ยาเมื่อให้ยายาก็ทำหน้าที่ขับพิษออกความรู้สึกตัวนี่ยมีความรู้สึกไปกับลมหายใจนี่มันไม่ใช่รู้เฉยๆมันขับพิษได้ อะไรที่ไม่รู้มันก็ออกความโกรธความโลภคงหลงไมาใช่ใจมันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้มันก็เหมือนกับยาส ก, กัตวะส ก, กตวะพุทธัตะลังโอสถังโอสถังคือโอสดุดสพตวะขาสัพะโลากาสภพพยามันหายได้อันเนี้ย ถ้าเราเริ่มต้นจากลมหายใจเขา้าสั้นๆมีค่านะ้าเนี่ยจะเป็นความสงบความสงบก็เริ่มต้นที่นี่ไม่ใช่ไปไขว่คว้าหาที่อื่นนี่ยมันมีความสงบอยู่ที่ใจที่มีสติมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า นัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นอนยิ่งกว่าความสงบไม่มีคือไม่ปรงุงไม่ไปไหนรู้สึกตัวอยู่หายใจเข้าหายใจออกยิ่งลมมรู้สึกตัวไปในกายอีกเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวแล้วก็ยิ่งมีพลังแล้วก็มีเท่านี้เรา เมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็คล้องกายคล้องใจได้มันเริ่มต้นที่นี่กันางทีเราพหาความสุขก็จะได้อันโน้นได้อันนี้แต่ไม่ได้ก็มีทุกเอาสิ่งอื่นมากำหนดถ้าเป็นสุขก็สุขแบบมีดตั้งยิงสิ่งที่ต่างๆเป็นสุขแทนที่จะหายใจอยู่นี่เป็นสุข หายใจเข้าหายใจออกอยู่ใกล้ตัวเว้นปัจจุบันเป็นปัจจัตตังในรู้สึกตัวเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรมรมถ้ามีความรู้สึกตัวเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมถ้ามีความหลงก็ไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่เคารพธรรมถ้าหลงก็ถือว่าไม่เคารพธรรมถ้าโกรธก็ถือว่าไม่เคารพธรรม ย่อมไปทุกข์เป็นโทษได้นาหัดมาฝึกหัดเรโทษจากรวมหายใจเข้าออกจนเห็นเอ่ยต่างๆไม่ไปกับเขาไม่แต่ลู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าเอาเอาเอามิตรไห้กับลมหายใจตั้งไห้เอาสิ่งที่ผ่านเฉพาะ ใบจมูกก็ได้ไม่ต้องไปปริกรรมยุกต่อพอหนอพุดธูพุดธูอะไรหงายจะเข้ารู้สึกหงาจะออกรู้สึกนอกจากนั้นก็วาตั้งวัตถิกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกรู้สึกเนี่ยนไมาใช้เรื่องเล็กน้อยเป็นการทั้งหมดของชีวิตถ้าเรารู้สึกตัวก็สอนกาย ถ้าเรารู้สึกตัวก็สอนจิตใจแล้วมันทั้งหมดแล้วแล้วพระเจ้า ก, เเจ า, จาก่อนเป็นพุทธเจ้าจะก่อนพระองค์เป็นเจ้าว่าชายเลี้ยนจบ 18, สิบแปดาสติเ7ตศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพะมาะเรียนรู้เรื่องกาเรื่องใจเนี่ยเกิดพุทธเจ้าขึ้นมาก็มันเห็นน่ะ มันไม่ใช่ออกไปรู้ข้างนอมันเห็นชีวิตจริงๆมันมีชีวิตชีวิตคือไม่ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นสุข ก, ก็ชีวิตเสียไปแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็ชีวิตเสียไปแล้วยิ่งขมขว่ขมโลกขมหลงไวต้ตกกองโอนชีวิตแฝงแฝงไม่ใช่ชีวิตแล้วชีวิตสูญเสียไปแล้ว ชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรนี่ระว่าได้ชีวิตชีวิตที่ไม่เป็นอะไรนี้อ่ะมันเชนเหงือเกิดเจ็บเจ็บตายมันจะเห็นมันสุขก็เห็นไม่เป็นเนี่ยมันทุกข์ก็เห็นไม่เป็นเนี่ยมันโกรธก็เห็นไม่เป็นมันหลงก็เห็นไม่เป็นมันเจอความพอใจไม่พอใจก็เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยคือชีวิตแท้ๆละเนี่ย มามีชีวิตกันเถอะเราอย่าเอาไปห้อยไปเขียนไปกับสิ่งอื่นเราไปห้อยไปเขียนไว้กับสิ่งไหนอ่ะผ่านมาเนี่ยบางทีความลักเกี่ยวกับเราข้ามวันข้ามคืนวันทีความเฉื่อยชังอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนไปห้อยไปเขียนกับความลักความชัง่งไปห้อยไปเขียนไม่เกิดปัญได้การเสีย มันมีค่าอะไรม่แต่ลงโทษตัวเองเศร้าหมองเราไม่มีเราไม่ใช่อย่างนั้นสิทธิของเราคือไม่เป็นอะไรหัดตรงนี้ให้มันเป็นจะลุยโลกได้ถ้าไม่เป็นล้วก็ลุยไ่ได้ถูกโลกทับถมเราเดินท้าก็เสียใจเขาสนศก็ดีใจอต่นั้นเป็นสมบัติของโลกการได้การเสียมันเป็นสมบัติของโลก ไม่ใช่ไม่ใช่ของใครมันเกิดมาแล้วอันโลกแบบนี้ก่อนเราการได้การเสียมันเกิดมาแล้วก่อนชีวิตเราที่จะมีมาเนี่ยการเน้นเธอสอนเสริมมันมีมาแล้วมันเป็นสวบัติของโลกคู่กับโลกมันผู้ใดที่จิตใจต่ำก็ถูกอันเนี้ยครอบงำบีบพี่เธอวีลงไปให้ต่าต้อยลงไป ชีวิตตั้งชีวิตไปฝากไว้กับความได้ความเสียความเห็นเธอส่วนเสริญไม่ใช่มันก็มีอยู่ปฏิเสธไม่ได้อย่าเอาไปห้อยชีวิตไปห้อยไปเขียนว่ากับริ่งเหล่านั้นให้เหนือโลกอยู่เหนือโลก <c oughs> ไม่ใช่อยู่เหนือโลกก็อยู่ที่ไหนอยู่ในกับชีวิตของเราเนี่ยฝึกห ให้มันเป็นชีวิตเราไม่มีวันนี้วันเดียวมีวันข้างหน้าชีวิตเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเราอยู่กับสิ่งต่างๆมาออกมายไม่มีรถของโลกมาออกมายรถของโลกทุกวันนเขาใส่สีใส่จินใส่เสียงลงไปให้คนหลงดองดูดีชั่วหรือซชื้อในในโลกนี้อันสิ่งที่สร้างให้หลงน่ะ มีเท่าไรแม้แต่แบรด้าของเราเนี่ยเขาสร้างให้เราหลงอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันบริษัทเราก็หลงใครบ้างที่สอนให้เรารู้สร้างให้เรารู้มีน้อยโรงหนังโรงละครมีมากกว่าโรงเรียนบาร์ไหนครับมีมากกว่าโรงพยบาบาลโสเพณีมีมากกว่าหมอ คนชั่วไม่มากกว่าคนดีเราจะอยู่ยังไงเรามารับผิดชอบกันมาดูแลกันมนุษย์ตาดาๆเป็นความสมบัตภา้ของชีวิตไม่ควรเบียดเบียนตนให้สงสารตัวเองเป็นถ้าสงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นได้ง่ายถ้าไม่สงสารตัวเองเป็นก็เบียดเบียนคนอื่นได้ง่ายเยลวลาเราหลงเนี่ยโอ๊ยน่าสงสาร เวลาเราโกรธก็นาสงสารยิ่งหายใจเข้าหายใจออกก็น่าสงสารถ้าหายใจเข้าไม่เข้าก็ก็ตายไปแล้วเทตนเองหายใอกไม่ออกก็ตายเท่านั้นนั้น ต, ต, ตายเคยตายเพราะลมหายใจนี่มาแล้วชีวิตเราไม่เช่นนี่อย่างควาสุขกันที่ไหน ถ้ามยไม่มีความสุขกับลมหายใจจะไปหาความสุขที่ใดรู้อยู่รู้อยู่เนี่ยชีวิตจริงๆไมมไม่เป็นอะไรดอกสงสารถ้าไม่ได้หายใจ้าหายเจอะก็อยู่ไม่ได้สินทุก์ไม่ได้กินข้าวก็อยู่ไม่ได้ไม่ท่ายก็อยู่ไม่ได้ไม่อาบน้ำก็อยู่ไม่ได้ไม่กินข้าวไม่ล้างหน้าแปรงฟันอยู่ไม่ได้ ชีวิตเราต้องอาศัยการใช้วิธีถูกต้องเฉ พ, พาะกายเฉพาะรูปมันก็เป็นคนทุกข์อยู่แล้วหยังเอาคิดเอาใจไปบังคับมาเลยให้ทุกข์ให้โกรธให้โลภหลง ถ, ถมเข้าไปอีกมันเป็นโทษถ้าเรามีสติมันจะ ค, อคอ่อยๆลื่ออกถอ น, อถนต่อแล่วกันน้องตาไป สนนักปวดของเวียดนามเวียดนามไม่แต่คนหนุ่มคนสาวบวชกันตั้งร้อยหกสิบพีวิตยอยู่ที่เดียวกันอุปโยงมาจากเวียดนามเ <c oughs> วียดนามเขายังไม่เป็นประชาธิปไตยอาจารย์ดิดทสตานเป็นอาจารย์ คนมีศรัทธาสอนถูกต้อง <c oughs> คนรุ่นใหม่ก็ก็ฟังแล้วเชื่อปฏิบัติตามออกบวชกันใหญ่มากแต่ก่อนไม่มากพอามีคนหนุม่มคนสาวออกบวชรัฐบาลเวียดนามก็มาเกิดไหลขึ้น รว่าจะมีปัญหาอะไรก็ามาให้เจ้าหน้าที่มาติดตามดูเขาก็มานั่งปฏิบัติธรรมกันก็ามาลวกปฏิบัติธรรมกันทับไปเขาบอกว่าให้ศึกไปทางาถ้าจะอยู่นี่ก็ต้องศึกถ้าอยู่นี่เป็นนักบวชไม่ได้ต้องศึกจะทำไงถ้ามีรัฐบาลมาไล่เราเนี่ย เราจะไปอยู่ไหนกันนะนี่เหมืองไทยเราเป็นประชาธิปไตยนะสนอสนุนให้คนปฏิบัติทำให้คนเข้าวัดแต่เวียด น, นามไม่ได้เพราะวัดเนี่ยเขาไม่ให้อยู่กันมากการสองก็ต้องควบคุมคนรุ่นใหม่เขาเป็นโง่ ล้วต่าไปสอนศาสน า, าที่ไต้หวันคนรุ่นใหม่เขาพาไปดูวัดที่เขาอ้อนวอนจุดทุกจุดเถือนขอร้องมีพิธีรีตองต่างๆเขาพาเราไปดูเขาวอวเาบอกเขาหองตาว่าพวกผม พวกผมไม่แช่ถือศาสนาอ้อนวอนพวกผมต้องปฏิบัติอยากได้เป็นคนดีก็ทําดีอยากเป็นคนดีก็ละความชั่วพวกผมศรัทธาหลวงพ่อหมหาสอนเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ก่อนผมสูบุตรี่พอหลวงพ่อหมหาสอนผมก็เลิกสุบุตรีแต่ก่อนผมกินเหล้าพอหลวงพ่อหมหาสอนผมก็เลิกดื่มเหล้า แต่ก่อนผมเคยโกรธเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่โกรธเพื่อนแล้วผมทําัวเองอยากเป็นคนดีผมตกละความช่วยเองอยากเป็นมีคนมีความสุขก็ผมก็ละทุกข์เองจริงไหนเป็นทุกข์ไม่ทําแล้วก็ช่วยคนอื่นไม่เป็นทุกข์ด้วยก็ผมไม่ใช่ซื้อเสื้อจานอ้อนวอนวอนอ่นพวกเราจะไปอ้อนวอนอยู่ที่ไหน ขอให้เลยนี่พานประโจรหวโตขอยถึงมรรคผลในผ่านงานาคกขตการเบื้องหน้า น, นู้นเถินไกลเท่าไหร่เบื้องหน้าไม่เอาวันนี้เลยใจดีวันนี้จะไม่ทำขึ้นมากเลยใจเย็นวันนี้จะไม่ทำหรยอเบื้องหน้านู้นเหรอ <c ười> ไกลเท่าไหร่ฮะกี่ปีกี่ชาติชาติหนึ่งไม่ใช่น้อยนะมีภูเขาสูง ร้อยยอดภพหนึ่งมีภูเขาสูงร่อยยดว่วงร่อยยอดรอยปีจะมีเทวดาเอาผ้ามิตรสลินหล่นล่มาปัดทีหนึ่งจนภูเขาลาบล ง, งเสมอพื้นดินมันนานเท่าไหร่เบื้อ ง, งหน้านู้นเทินมันนานเท่าไหร่เบื้องหน้านี่ใกล้ๆนะ เบื้องหน้านี่เราจะมีความสุขวันนี้ชั่วโมงนี้หายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเลิกโกรธกันวันนี้หยุดวันนี้เคยเคยโกรธกันมาหยุดกันเถอะโวยทุกข์โอยโทษหยุดกันเลยมีสติเนี่ย่ายใจอ่อนนอลทำเองชาติไหนกันก็ทํำทาดีพันก็ดีทำชั่วกาชั่วเชื่อตั้งนีร้อยเ ถ้าไปคิดคนไม่ดีมันก็นทุกตัวเองบางทีเราไปทุกไปโกรธคนอื่นเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราโกรธเขาแต่คนที่โกรธนั้ไปทุกคนที่เราถูกโกรธเขาไม่รู้เลยเขา น, นาอนหลับสบาแต่เราเอามาคิดเอาไปาปากก็เขียนไว้กับมันเสียไปเอาไปาปากไปเขียนกับสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เลยชีวิตต้องเป็นชีวิตเนี่ย ทำง่ายง่ายไม่เป็นเนี่ยทำง่ายง่ายไ้เป็นมันยากวางเนี่ยหัดจากเนี่ยวันนี้มีแท้แท้ยกมือขึ้นรูปมีจริงจริงไม่ต้องรอปีวันพรุ่งนี้จึงจะรูปไม่ใช่เลยปัจจัตบังเวใช่มดี๋ยวนี้ปัจจัตบังปัจจุบัน นี่เหมือนจริงเนี่ยเอาไปเชื่อใครชาติหน้าที่ไหนชาติหน้ามาตึงชาติก่อนก็ดูยังไม่ได้เกิดต้องมุดท่อแม่เขาไปเกิดใหม่มันไม่ใช่นี่แหละมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติทำดีเราทำชั่วยุดเลยมัต้อ ง, องเราจะทำดีปีอว่าจา พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เว้นยากทุศลิตไม่พูดปดไม่พูดคาหยาบไม่ทำไม่ใครเดือดร้อนไม่ทำตัวเองเดือดร้อนทาได้แต่ขาเนี่ยเราก็เป็นประโยชน์มีเมียด้วยใช่ไหม <laughs> เนี่ยจะมีความสุขนะมีผัวด้วยมีความสุขมีเพื่อนด้วยเนี่ยเราก็เสมอภาคกันหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็เป็นกอนทุกข์คนนั่นก็เป็นก็นทุกข์มาช่วยกันนะมาช่วยกันนะมันเป็นสิ่งทําได้ส่วนสวาขาสว่สวนสว่สวนส่วนธรรมคุคณวิทยาศาสตร์แต่เราเมือขึ้นไปใช่ <laughs> นองขึ้นวิทยาศาสตร์สวาขาโตภักควาตารรมโงพระธรร ม, มันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วสันติโกผู้ศึกษาปฏิบัติจะต้องทำด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จากัดการเดี๋ยวนี้ไม่วันพรุ่งนี้ ไม่มีการเกิดไม่มกังวลทำดีก็รู้สึกตัวไม่จำกัดการรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปอาศัยอะไรที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ต้นต้นพระุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากมายจากวันเพ็ญเดือนแปดไปถึงวันเพ็ญเดือนสามเประมาณแปดเตือนเก้าเดือนน่ยสอนเรื่องปฏิบัติเนี่ย มีพระหลนเกิดขึ้นสอง0ันห้าร้อยสองพันเอหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปตั้งแต่เดือนแปดถงวันเดือนสามเนี่ยสองหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปมีแต่พระหันทั้งนั้นระหว่างเนี่ยสอนเราเนี่ยเช่นไปเช่นไปเห็นพวกทับปัทขีสามสิบรสักหน่อยได้ไหม เ <laughs> คอได้อ่านไหมประวัตินะทัพปะคีสามสิบเป็นหนุ่มเจ้าสำลานกจากเจ้าสำลานไหมหนุ่มสำลานหนุ่มสาวสำลานเจ้าสำลานมีคู่ทุกคนคนผู้ชายก็ไม่คู่เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่คู่เป็นผู้ชายพากันไปเที่ยวอาบน้ํา เล่นน้ำไปเล่นน้าสอดเครื่องประดับตกแต่งออกวางไว้บนฝังลงไปเล่นน้าเตยหนุม่มคนหนึ่งไม่มีคู่ไปอโอโซพณนีมาเป็นเพื่อนไปกับเขาพอลงเล่นน้าพวกหนุม่มทั้งหลายก็เล่นน้าสนุกสนานแต่สโสเพณนีเนี่ยหมือนคิดขึ้นมาโอ้ เห็นเพื่อนเราปดเครื่องประดับตกแต่งว้บนนอนเราจะต้องเล่ดลอดขึ้นไปก่อนเขาเขากุหลังเล่นอยู่อ๋อเอขึ้นไปแล้วก็สวมเสื้อเอาเครื่องประดับตกแต่งก็น้องอวิ่งน <c oughs> นหนีอ๋อไอ้เนี่ยเพื่หนุ่มเจ้าสำรานถึงเวลาขึ้นมาไม่เห็นเครื่องประดับตกแต่งตัวเองแล้ว <c oughs> ก็หนุ่มทั้งหลายก็วิ่งตามเห็นรอยมันวิ่งไปเนี่ยตามลอยวิ่งไปเจะาตามเอาคืนมาหญิงโสเภณีก็ถือของได้ก็วิ่งหนีตามทางไปตอนนั้นพระเจ้าเดินทางมาออกไปใหม่หลังจากแสดงธรรมในพื้นดินแปดจิตแล้ว ก็บอกภิกษุไม่มากพวกเราเป็นผู้พ้นจา้าบวงแห่งมานแล้วไปไปไปบอกสอนคนเพื่อประโยชน์เจ่คนหมู่มากเรามีเท่านี้ไม่มีมากไปคนละทางนะเราเองก็จะไปโน่นกรุง乌ุอุรุจะคืออุลุเวลาเสนานครจังแล้วก็ พุเจ้าปลยอุลุเวลาเสนาณนีกรมแลาจะคือระหว่างเดินทางไปไปเจอพวกถุมเจ้าสลาลําราน่ะก็วิ่งตามเราเรียกพวกหนุ่มพวกเราสมน่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิกงไปนี่ไหมจะตอบอยังไงพุทธเจ้าตอบว่า สำน้าสำน้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไปนี่ไหมี่ลอยมานะ่ะเห็นไหมเนี่ยแต่ทํำไงล่ะพระเจ้าตอบยังไงฮะถ้าเป็นเราจะตอบยังไงจะตอบไปไหนฮะโอเนี่ยเดินไปเนี่ยลอยมันวิ่งไปเห็นแล้วพระสมณะก็เดินมาเนี่ยไม่เห็นเลยพระเจ้าตอบว่าด่ก่อน พวกเธอจะตามหาผู้หญิงคนนั้นดีหรือว่าพวกเธอจะตามหาตัวเองดีกันเออไม่ต้องพูดหนะเห็นไม่เห็นไมหนมตัวก่อนท่านนั่งหลายจะตามหาคนอื่นหรือจะดูตัวเองกันบ้างถ้าไปตามหาคนอื่นมันก็ไม่เห็นตัวเองนะตามแล้วอาจารย์พระเจ้าพี่พูดจงมาตามดูตัวเองเถอะมันอะไร ไม่เห็นตัวเองเนี่ยค่อยๆดุมพระองคก็ค่อยเ ย, ย็นลงเย็นลงพระเจ้าเราจะแดงทำให้ฟังเนี่ยก็เลยมือลู้ตัวอืมขณะนั้นก็ลงโ ก, โกดจอดกำลังทุกข์พวกมันเสียไปทุกอขะองเสียไปศูนย์เฉียคิตไปแล้วพะพระเจ้าบอกว่า กับขึ้นมาโดยเองไปสิมันมีอะไรมันโกรธไปเรื่องแบบกับขึ้นมาตัอโยตอยหายใจเข้าหัวใจขมโกรธทีงค่อยลดลงลดลงลดลงล ง, ลงมารู้ตัวเองเห็นขมโกรธเป็นอารมณ์ข้องมั่งที่ใจเมื่อขี้มันโกรธเดี๋ยวนี้มันไม่โกรธแล้วค่อยๆทีใจแล้วพระเจ้าก็เสด็จไงวา ง, ง, งไ้วางแบบใจก็เย็นลงเย็นลง พระเอากแสดงทำไปเดียวว่าเปลี่ยนความร้อนเป็นความเย็นเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เวลาโกรธต้องวิ่งเหรอวิ่งไปไหนล่ะไม่ขี้ไปด่าไม่ขี้เนี่ย <laughs> ไม่ขี้ไปไหนล่ะวิ่งไปนี่อ่ะ แต่ไม่จึงวิ่งละ่ะเพราะหัวใจใจดีก่อนจะไม่ได้ด่ากันต้องวิ่งเมื่อเวลาทำมันโกรธก็รีบตัวนเงินไปตีลูกเวลาโกรธตีลูกไม่รู้จักเด็กตัวน้องหนยหนันนบงบางบ่าง้อยมือไ ต, ต่เอาเที่ยวมีไม้ขวมโกรธบางทีเสียใจ ทีลูกเก็บแล้วมันความโกรกก็หมดไปสงสารโลกเสียใจมอนหลงให้นางหลงให้เอายาหม่องไปตาลอยนี่วลอยนิวเหมอลอยไม่เรียวแม่หลงตีนหลงเหมือผิดพลาดไปแล้วเสียใจประวคมชั่วของตัวเองนละ้วยาไปร่วมหน้ารันกลับมาใจของเราไม่ได้โกรธหรอก ปกติใจดีเสมอเรามันกรไม่ใช่ใจอารมณ์เรามันทุกข์ไม่ใช่ใจเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจอย่าไปอารมณ์มาเป็นใจของตัวเองเอาความสุขเป็นใจเอาความทุกข์เป็นใจเอาความโกรธเป็นใจไม่ใช่เลยอารมณ์อารมณ์ไ ม, ม่ใช่ใจใจมันไม่เป็นอะไรปกติปกติใจบ้านของใจคือปกติ เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันคิดไปโนนกลับมากลับมามันคิดไปโน่นกลับมาถ้ากลับม า, ม บ, ม า, า, บ, มาบ่อยๆมันจะโกรธหญิงคนนั้กลับมากลับมากล้วดูใจดีขึ้นมาค่อยๆพูดกันอุ้มวเจ้าสำรังก็ใจเย็นลองเยลองศึกษาหาทางเลือกช่วยกันคิดขึ้นมาเอาอยัางไงกันดีฮะ มันถุก็เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเราไม่ชีวิตของเราสอนมันตรงไหนมันชิดไปบ้านกลับมาสอนใจมันรู้สึกตัวอยู่นหนย้อนลอยอยู่ไหนมันมีนิมิตที่ตั้งเอาไว้เนี่ยกรรมคือการกระทําให้รู้อยู่เนี่ยฐานคือที่ตั้งให้รู้เนี่ยมันช่วยได้มันไปกรรมมาไปกรรมมา วางหน้าวางตาใหม่วางใจใหม่วางกายใหม่มันจะมีสิ่งดีๆหลายอย่างในชีวิตของเราเนีเปลี่ยนความร้าเยเป็นความดีเปลี่ยนความลงกับความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เรียนให้สิ่งที่ปีทั้งหลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาเนี่ยปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติอยู่ไหนเหรออยู่กับเราเนะไม่ใช่อยู่สุขโตกลับไปบ้าน ใครทำงานวาันจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้สักตัวต่อทุกคนทำตรงนี้เลื่อ น, นต้นตอกโลงต้นกอนน้องก็สงบแลวมีความเมตตากุณาเกิดขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างแลวทีเดอยวหลงต่อไปสอนพวกเวียดนามน่าจัทธธาเขานะศรัท ธ, ธาเข า, เขาก็เริงนะ ปฏิบัติกันเราก็ชอบแบบเราเนี่ยชอบแบบปฏิบัติธรรมอืมเหมอนก็สมควรเจรเวลากับบะพร้อมกัน